คณะสูตรว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวว่าชาวโลกทํากิจในขณะชาวโลกทํากิจในขณะแต่เขาไม่รู้ขณะหรือไม่ใช่ขณะเลยภิกษุทั้งหลายการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปดประการนี้การแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสสรถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานใหถึงการตรัสรู้ ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรกนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่หนึ่งสองตถาคตละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกและแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานใหถึงการตรัสรู้ ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดสัตติรชานละถึง 3. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเปรตวิสัยละถึง 4. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว 5. ตถาคต ละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทและอยู่ในพวกมีลักขะที่มีรู้เดียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผ่านไปมา 6. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชิมะชนบทเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผล การเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาเถกสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก 7. ตถาคตละถึง แต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมชิมะชนบทเป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุภาษิตได้นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤชพรหมจรรย์ประการที่7 8. ตดทาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบและถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค ไม่อุบาทขึ้นแล้วในโลกและไม่แสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วถึงบุคคล น, นี้จะกลับมาเกิดในมชิมะชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอสามารถรู้เนื้อความแห่งสุภาสิทธิ์และทุภาสิทธิ์ได้นี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤพรหมจรรย์ประการที่8ภิกษุทั้งหลาย การที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปลประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายขณะและสมัยที่ควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวเท่านั้นขณะและสมัยประการเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และแสดงธรรมที่จะนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุโคส่งประกาศแล้วและบุคคล น, นี้กลับมาเกิดในมัชิ ม, มะชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ ส, สามารถรู้เนื้อความแห่งสุภาสิทธิ์และทุภาสิทธิ์ได้ ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียวเท่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณาภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเราชนผู้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศศีธรรมดีแล้วยังไม่ได้ขณะชื่อว่าปล่อยขณะให้ล่วงไป ชนหมู่มากกล่าวถึงการที่มิใช่ขณะว่าทำอันตรายต่อมรกพระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกเพียงบางครั้งบางคราวสิ่งที่มาพร้อมการที่หาได้ยากในโลกคือการได้กำเนิดเป็นมนุษย์และการแสดงสัตรรมชนผู้ใคร่ประโยชน์ควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นบุคคลควรเข้าใจสัต ร, รมขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะคนผู้ล่วงเลยขณะไปย่อมยัดเยียดเศร้าโศกอยู่ในนรกหากเขาปล่อยประโยชน์ให้เสียไปไม่บรรลุความเป็นผู้แน่นอนต่อสัตยธรรมในโลกนี้ได้จากเดือดร้อนในภายหลังสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยประโยชน์ให้เสียไปเะนั้นคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัต ธ, ธรรมจากเสวยสังสารวัตคือชาตและมรณนะสิ้นกาลนาน ส่วนชนเหล่าใดได้ความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศศธรรมดีแล้วได้ทำแล้วจักทำหรือกำลังทำตา ม, ตามพระดำรัดของพระศาสดาปฏิบัติตามแนวทางที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้รู้แจ้งขณะคือพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกบุคคลเพึ่เป็นผู้คุ้มครองสังวรที่พระตถาคตผู้มีพระจักสุ ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วพึงเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะมีสติอยู่ทุกเมื่อชนเหล่าใดตัดอนุสัยทั้งปวงที่เป็นไปตามฝั่งคือบ่วงแห่งมารเป็นผู้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งในโลกอคณะสูตรที่เกจบ อนุรุทธมหาวิตกะสูตรว่าด้วยมหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเพสก ล, ลามิขัทายวันเข ค, ครุงสูงสุมาระคีระแควนพัก ค, คะสมัยนั้นแหลท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่ป่าจีนวังสะทายวันครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกเล่นอยู่ในที่สงัด เกิดความคิดอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มากมากนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปราลบความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียดคร้านนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสตินี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของท่านพระอนุรุท ธ, ธด้วยพระทัยแล้วทรงหายจากเพสการามิขทัยวันเขครุงสูงสุมาราคิระแควนภักะ ไปปรากฏต่อหน้าท่านพระอนุรุธทธะที่ปาจีนวังสะทยวันแคว้นเจตีเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธา ท, ที่ปูลาดไว้แล้วฝ่ายท่านพระอนุรุธทธะถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอนุรุธทธะดังนี้ว่าดีละดีละอนุรุทธะ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 นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปะปัญจธรรมผู้พอใจในนิปปะปัญจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปะปัญจธรรมผู้พอใจในปะปัญจธรรมอนุรุทธเมื่อใดแลเธอจกตรึกมหาปุริสวิตกแปดประการนี้เมื่อนั้นเธอจกหวังได้ทีเดียวว่าจากสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อนุรุธะเมื่อใดแลเธอจากตรึกมหาปุริสวิตกแปดประการนี้เมื่อนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าเพราะวิตกวิจารสงบรังงาไปจากบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่อนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจากตรึกมหาปุริษวิตตกแปประการนี้เมื่อนั้นเธอจกหวังได้ทีเดียวว่าเพราะปิติจางคลายไปจะเป็นผู้มีโอเบขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีโอเบขามีสติอยู่เป็นสุข อนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจกตรึกมหาบุริสวิตตกแปรประการนี้เมื่อนั้นเธอจกหวังได้ทีเดียวว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจากบรรลุเจตุทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบขาอยู่อนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจกตรึกมหาบุริสวิตตกแปรประการนี้ และจกได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นผ้าบางสกุลจีวรจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของข้าบดีหรือบุรข้าบดี เต็มไปด้วยผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆฉะนั้นอนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจกตรึกมหาปุริสวิตกแปดประการนี้และจากได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นอาหารคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแขลงจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดี ด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลงสูนิพานเปรียบเหมือนข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีที่คัดกราบออกแล้วมีแกงหลายอย่างมีกลับหลายอย่างเะนั้นอนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจากตรึกมหาบุริสวิตก8ประการนี้และจากได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่ง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 มีบานประตูปิดมิชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นอนุรุธะเมื่อใดแลเธอจกตรึกมหาปุริสวิตกแปประการนี้และจกได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นที่นอนและที่นั่งที่ลาดด้วยหญ้าจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดี ด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุกด้วยการก้าวลุงสูญนิพพานเปรียบเหมือนบัลลังของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีที่ล่าด้วยผ้าโกเชลล่าด้วยเครื่องล่าขนแกะสีขาวล่าด้วยเครื่องล่าทำด้วยขนแกะลายล่าด้วยเครื่องล่าอย่างดีทำด้วยหนังชะมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างฉะนั้นอนุรุทธเมื่อใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตกแปดประการนี้และจักได้ฌานสีอันมีนจิตยิ่งจึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลุงสูญนิพพาน เปรีบเหมือนเศสั์ชนิดต่างๆคคอเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีอนุรุท ธ, ธะถ้าอย่างนั้นเธอควรอยู่จำพรรษาที่ปาจีนวังสัททายวันแคว้นเจตีนี้แลต่อไปเถิดท่านพระอนุรุท ธ, ธะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตระสอนท่านพระอนุรุท ธ, ธะด้วยพระโอวาทนี้แล้วทรงหายจากปาจีนวังสัทยวันแควนเจตีไปปรากฏที่เพสกะลามิคทายวันเข ค, ครงสูงสุมาระคิระแควนพักะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉชนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาปุริสวิตกะแปประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมหาปุริสวิตกะแปประการอะไรบ้างคือ 1. นี้เป็นธรรมของบุคลบคลผู้มกักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากสอนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัด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 ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสาม8นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปะปัญจะธรรมผู้พอใจในนิปปะปัญจะธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปะปัญจะธรรมผู้พอใจในปะปัญจะธรรมเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มากๆเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุท nee. ั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินยนี้เป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาว่าคนท sí. ั้งหลายพึง anyway. รู<_<_้จักเราว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สังดไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สัดเป็นผู้ปรารบความเพียรไม่ปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ปราถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นไม่ปราถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาไม่ปราธนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ยินดีในนิปปะปัญจะธรรมไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ยินดีในนิปปะปัญจะธรรมเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มากมากเรากล่าวไว้เช่นนี้แลวว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปั จ, จัยเพศรรบริการตามแต่จะได้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัด ไม่ใช่ทำของบุคคลผู้ยินดีในการคุกคลีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวิไนนี้อยู่อย่างสงัดมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรธีและสาวกของเดรธีทั้งหลายเข้าไปหาในที่นั้นภิกษุมีจิตโน้มไปโน้มไปโอนไป ตั้งอยู่ในวิเวก ย, ยินดีในเนคขมมะก็จำต้องกล่าวถ้อยคำอันเกี่ยวกับการส่งการรับโดยแท้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียนไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียดคร้านเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียนไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียครานเรากล่าวไว้เช่นนี้แล ว, ว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสติเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม่นานได้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้หลงลืมสติเรากล่าวไว้เช่นนี้แลวว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึง บรรลุเจตุธชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอเบขาอยู่เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํามแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคลญญบคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเรากล่าวไว้เช่นนี้แล ว, ว่า นี่เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปะปัญจะธรรมผู้พอใจในนิปปะปัญจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปะปัญจธรรมผู้พอใจในปะปัญจธรรมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าจิตของภิกษุในธรรมวิในนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในปะปัญจนิโรทย่อมหลุดพ้น เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปะปัญจธรรมผู้พอใจนิปปะปัญจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปะปัญจธรรมผู้พอใจในปะปัญจธรรมครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้อยู่จำพรรษาที่ปาจีนวังสทายวันแคว้นเจตีนั้นแหลต่อไปอีกท่านจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร ผู้ที่กายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระอนุรุทธะผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าพระาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วจึงเสด็จมาหาเราด้วยมโนโมยกายรทธิ์พระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในนิปะปัญจะธรรมทรงสแสดงมหาปุริษวิตก ยิ่งกว่าความดำริของเราทรงแสดงนิปปปัญจธรรมแล้วเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในพระศาสนาอยู่เราได้บรรลุวิชาสามโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามแล้วอนุรุธทธมหาวิตรกะสูที่สิบจบกหะปฏิวัค์ที่สาจบรวมพระสูที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมอุคสูตร 2. ทุติยาโอคสูตร 3. ปฐมมหาตกะสูตร 4. ทุติยาหาตกะสูตร 5. มหานามสูตร 6. ชีวกะสูตร 7. ปฐมพละสูตร 8. ทุติยาพละสูตร 9. อคณสูตร 10. อนุรุทธมหาวิตกะสูตร 4. ทานวักหมวดว่าด้วยทาน 1. ปฐมทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานแปดประการนี้ทานแปดประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะประสบเข้า 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัว สบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้ว 4. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาจัะให้แก่เรา 5. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หงหากินเองไม่ได้ไม่ควร 7. บุคคลบางคนให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพันงามย่อมขจรไป 8. บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตภิกษุทั้งหลายทานแปดประการนี้แลพระมมทานสูตรที่หนึ่งจบสอง ทุติยทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่สองทำเหล่านี้คือศรัทธาหิริทานที่เป็นกุศลอันสัตบุรุษดาเนินตามแล้วสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าทำสามประการ น, นี้แลเป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะด้วยทำสามประการ น, นี้แลบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้ทุติยทานสูตรที่สองจบ 3. ทานวัตถุสูต ร, รว่าด้วยทานวัตถุภิกษุทั้งหลายทานวัตถุแปดประการนี้ทานวัตถุแปดประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชอบ 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชัง 3. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความหลง 4. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัว บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าพ่อและปู่เคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไปหบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ดบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมสมนัต 8.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 ว่าด้วยนาดีและนาไม่ดีภิกสุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์แปประการย่อมไม่มีผลมากไม่มีความชื่นใจมากไม่มีความเจริญมากนาที่ประกอบด้วยองค์แปประการเป็นอย่างไรคือนาในโลกนี้ 1. เป็นที่ลุ่มและดอน 2. เป็นที่มีหินและกรวด 3. เป็นที่ดินเค็ม 4. เป็นที่ไถลงลึกไม่ได้หาเป็นที่ไม่มีทางน้ำเข้าหกเป็นที่ไม่มีทางน้ำออกเจ็ดเป็นที่ไม่มีเหมืองแปดเป็นที่ไม่มีคันนาภิกษุทั้งหลายเพื่อที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์แประการอย่างนี้ย่อมไม่มีผลมากไม่มีความชื่นใจมากไม่มีความเจริญมากภิกษุทั้งหลายในทานองเดียวกัน ทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการยอมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในโลกนี้ 1. เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิเห็นผิด 2. เป็นผู้มีมิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. าเป็นผู้มีมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. เป็นผู้มีมิจฉากรรมมันตะกระทำผิด 5. เป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. เป็นผู้มีมิจฉาวายามะพยายามผิด 7. เป็นผู้มีมิจฉาสติระลึกผิด 8. เป็นผู้มีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดภิกษุทั้งหลายท่านที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบ้รยองค์8ประการอย่างนี้ ย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีความชื่นใจมากมีความเจริญมากนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือนาในโลกนี้ 1. เป็นที่ไม่ลุ่มและดอนสเป็นที่ไม่มีหินและโกรธ เป็นที่ไม่มีดินเค็ม 4. เป็นที่ไถลงลึกได้ 5. เป็นที่มีทางน้าเข้า6เป็นที่มีทางน้าออก 7. เป็นที่มีเหมือง 8. เป็นที่มีคันนาภิกษุทั้งหลายเพื่อที่วานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์แปประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีความชื่นใจมากมีความเจริญมาก ภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในโลกนี้ 1. เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. เป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะดําริชอบ 3. เป็นผู้มีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. เป็นผู้มีสัมมากรรมตะประทำชอบ 5. เป็นผู้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. เป็นผู้มีสัมมาวายามะพยายามชอบ 7. เป็นผู้มีสัมมาสติระลึกชอบ 8. เป็นผู้มีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลาย ทานที่ให้ในสมณะพราหมณ์ผู้ประกอบด้วย อ, องค์แปประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากพืชที่สมบูรณ์ถูกวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธั ญ, ญชาติจะงอกงามได้เพราะไม่มีศัตรูพืชมีความเจริญงอกงามมีความไพบูรณ์มีผลสมบูรณ์เต็มที่ฉันใด โพชนาที่สมบูรณ์ที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมนามาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะการรมที่เขาทำไว้นั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลผู้หวังกุศลอันสมบูรณ์จงเป็นผู้สมบูรณ์ในกุศลนี้เพื่อคบท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์บุญยสัมปทาทั้งหลายย่อมสาเร็จได้อย่างนี้คือท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ได้ความสมบูรณ์แห่งจิตแล้วทำ ร, รมให้บริบูรณ์ได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์รู้โลกตามความเป็นจริงแล้วบรรลุทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาศัยมรรคสัมปทาแล้วมีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตผลได้กําจัดมลทินทั้งปวงแล้วจะบรรลุนิพพานสัมปทาได้การหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นจดเป็นสัพพสัมปทา เกตสูตรที่4จบหาทานูปฏิสูตรว่าด้วยผลที่เกิดจากการให้ทานภิกษุทั้งหลายผลที่เกิดจากการให้ทานแปดประการนี้ คนที่เกิดจากการให้ทาน8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแกสมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาเห็นพวกคติยามหาศาลพรามมหาศาลหรือข้าบดีมหาศาล เออบอิ่มเพรื่องพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้าจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกขติยามหาศาลพรามหาศาลหรือข้าพดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาโน้มไปในทางต่ําเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้น หลังจากตายแล้วเขาจึงเกิดร่วมกับพวกขติยะมหาศาลพราหมาหาศาลหรือขหบดีมหาศารข้อนี้แหลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายมโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาชั้นจตุมหาราศมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้น จเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาโน้มไปนในทางต่ำจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้อนี้แหลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายมโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ส บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงละถึงสีบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงพวกเทวดาชั้นยามา หบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงพวกเทวดาชั้นดุสิตหกบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงพวกเทวดาชั้นนิมมานรดี 7. บุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงพวกเทวดาชั้นปรณิมมิตวัสวัตดีมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงปรารถนาอย่างนี้ว่า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 ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายมโนปนิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 8. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแกสมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่า พวกเทวดาชั้นโพรมาญิกามีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพ้นเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นโพรมาญิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาโน้มไปในทางต่ำเจริญที่ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นหลังจากตายแล้ว เขาจึงเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นโพรโมาญิกาข้อนี้แหลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลสำหรับผู้ปราศจากราคะไม่ใช่สำหรับผู้มีราคะภิกษุทั้งหลายมนโนปนิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะภิกษุทั้งหลายผลที่เกิดจากการให้ทาน8ประการนี้แหล ทานุปปติสูตที่ห้าจบ